ะธรรมเทศนาแผ่นที่49ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11กรกฎาคม2555มีชื่อเรื่องว่าฝึกหัดดัดนิสัยตนเองเวลาสวดมนต์ เราควรจะให้มันเป็นระบบระเบียบเสียงมันไปพร้อมกันแต่เสียงใครเข้าหมูไม่ได้อย่าไปตะเบงเสียงมันฟังแมันไม่น่าฟังหูกับปากตัวเองทำไมมันอยู่ใกล้กันทำไมไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงคนอื่นบ้างล่ะตัวเองทำไมตะเบงเสียงให้เข้ า, ขาหูไม่ได้แสดงว่ามันเส่อมากขนาด เสียงตัวเองกับหมูตัวเองอยู่ใกล้ๆกันมันเข้าหมูก็นรู้อยู่แล้วมันเข้าหมูไม่ได้ทําไมตะเบงเสียงออกมาทําไมถ้าอยากจะตะเบงเสียงนั่งไปโน่นไปสวดอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวเสียงว่านา้อ า, า, า, าอาตาชาพาข้าอาตายอย่างนี้มันไม่จะเป็นอะไรไปถ้ามันอยู่กับหมูจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงมันต้องเข้าหมูให้ได้ไปสวดกับหมู่ ถาอว่ามันไม่สวดกับหมู่หมู่ไม่ได้เดีจะไปตะเบงเสียงสิพูดพูดโทในใจก็ยังได้เ ป, ป็นไรไปอันนี้มันฟังฟังแล้วมันเซอทั้งนั้นแหะมันไม่รอบครอบอย่าให้ได้ยินอีกนะใครนะถ้าเสียงไม่เข้าหมู่เดี๋ยวจะตะเบงเสียงมันทําให้หมู่เสียวงวงแตกปากกับหูตัวเองมันอยู่ใกล้ๆ ก, กันทําไมไม่ได้ยินเสียงตัวเองออกมายังไง สิ่เหล่านี้ต้องใช้ความรอบคอบต้องใช้ปัญญาอย่าไปใช้แต่ตาความเห็นตัวเองข้ามีสิทธิ์ที่จะต้องสวดได้สวดยังไงก็ได้เพราะว่าข้ากัสวดนโมตัสสะพุทธังธรรมังเหมือนกันจะเสียงค่อยเสียงแรงก็เป็นเสียงของข้าพเจ้าเนี่ยแหละอันนั้นไปนว่าอยู่กับหมู่มันก็ไม่เข้าหมูนะหถ้าไปเป็นพระกับภาษาทางอิสานว่าพร ะ, ะแฉล ง, งแงง มันพระไม่เข้าหมูเข้าเพื่อนมันไม่ไปตามล่องตามรอยมันไม่ไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีครูบาอาจารย์พารมพาสวดยังไงตัวเองก็รู้อยู่เสียงเป็นยังไงไปขัดไปขวางไปไปได้ขวางเขาไม่ได้นะการสวดต้องฟังทำนองท่านพูดสังโยคตัวไปเองโพดมคธได้ยังไงเขาท่านสวนมคตไปพูดสังโยค ได้ยังไงมันก็ต้องไปทำนองที่ท่านพาสวดยังไงที่เป็นหัวหน้าเสียงค่อยเบาขนาดไหนเสียงสูงต่ำขนาดไหนต้องฟังถ้าหางว่าท่านสวดเสียงสูงเราไปพูดเสียงต่ามันก็ไม่ได้ถ้าท่านพูดเป็นเสียงกลางเราไปพูดเสียงเล็กๆมันก็ไม่ได้มันมันไม่เข้ากันฟังแล้วมันไม่น่าฟังเหมือนพ่ะมาะสวดมนต์อย่างนั้น พวกเราเคยเห็นไปรพมาทสวดมนต์พระจีนสวดมนต์มันลักษณะอย่างนั้นพูดไปคนละทิศคนละทางใครไม่ฟังใครต่างคนต่างคิดได้ก็พูดออกไปไม่เป็นจังหวะจากโคนพระไทยจะไม่เป็นอย่างนั้นผู้ที่สวดดางนั้นสงสัยจะเป็นพระพระม่ามาก่อนมะหรือพระจีนมาก่อนก็ไม่รู้ละมาเกิดเป็นพระไทยก็จะพูดไม่เข้าหมู่เข้าเพื่อน วันนี้เป็นวันพระแรมแปดข้ามเดือนเจ็ดอีกจากนี้ไปสมอาทิตย์เป็นวันเข้าพรรษาเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านผู้ที่จะเตรียมเข้าพรรษาก็ต้องวางแผนปีนี้พรรษานี้เราจะทำอะไรที่เป็นหลักเราจะปฏิบัติภาวนาระดับไหน เราจะทำความเพียรภาวนาอย่างไรอันนี้คือฝ่ายพระเราจะอดนอนผ่อนอาหารอย่างไรในพรรษาที่จะถึงนี้การประพฤติปฏิบัติของเราเป็นที่อุ่นใจหรื อ, อยังในการประพฤติปฏิบัติภาวนาจิตตภาวนาของเราสิ่งเหล่านี้เราต้องทบทวนไข้ควนตราตรองในใจของพวกเราแต่ละท่าน ไม่ใช่ว่าปีไหนกับปีเก่าอยู่ไปอย่างนั้นแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเหมือนกับเรือหรือว่าของที่อะไรก็ตามลอยล่องอยู่กลางสมุทรทะเลไม่มีจุดหมายปลายทางมันไม่น่าจะถูกนะพวกเราท่านทั้งหลายจ้องมีจุดหมายปลายทางในพรรษานีนข้าพเจ้าจะทําความภาคเปลียนมากน้อยแค่ไหนเราจะอดอาหารอย่างไรเราจะอดนอนอย่างไร เราจะเล่นความภาคเพียรภาวนาอย่างไรในพรรษานี้เราจะเอาอริยบทไหนยืนเดินนั่งนอนเราจะเล่งในอริยบทไหนที่เราทำผ่านผ่านมาแล้วพวกเราพอจะรู้ได้ว่าการภาวนาของเราอริยบทไหนที่จิตใจของเราได้รับความสงบปร่มเย็นเป็นสุขอดนอนอริยบทนั่งอริยบทนอนอริยบทยืน อริยบทเดินอันไหนเราจะเอาอันไหนเป็นหลักอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องวางแผนไดคิดเอาไว้สําหรับคราวญญาติโยมก็เหมือนกันไม่ใช่แต่พูดแต่พระไม่ใช่บอกตกนรกหรือไปมีความทุกข์ได้แต่พระนะญาติโยมก็แสวงหาความสุขได้หาทางพ้นทุกข์ได้หาสวรรค์นิพพานได้ ไอ้เมื่อเราเป็นครว่าต์ในพรรษาเราจะเอาอะไรวางแผนเอาไวา้เราจะรักษาอุโบสถศินทุกวันพระเราจะรักษาศินห้าลอดไตรมารสสมเดือนหรือเราจะรักษาศินห้าทุกวันพระเราจะงดอาวัยวมุกทุกอย่างในพรรษานี้ทดลองรูสิในพรรษาสามเดือน เราจะงดอบายยมุกไม่ดื่มสุราไม่เถี่ยวกางคืนไม่เถี่ยวดูกันเล่นไม่เล่นการพานันไม่คบค้าสมาคมกับพวกมูพวกเพื่อนที่สเปเฮละข้าพเจ้าจะอยู่ตามลาพังเป็นเอกเทศในพรรษาสามเดือนนี้เราจะเก็บตัวจะอยู่ในกรอบของศีลธรรมเราจะไหวพระทุกวันไม่ให้ขาดเราจะตักบาตรทุกวัน มเให้ขาดเราจะทำมีการทำทานรเราจะไปกราบ พ, พ่อแม่ทุกวันอาทิตย์สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีสำหรับพวกเราที่เป็นครวญยาติโยมควรจะมีอะไรในภรษาที่พวกเราทำยากๆเอาอ น, นัตนละอเอาอนั้นละเข้ามาปฏิบัติทดลองหน่สิเดียวบอกฝึกหัดดัดนิสัยของตนเอง หากพวกเราเคยฝึกหัดได้ในระดับหนึ่งแล้วครั้งหนึ่งแล้วต่อไปการฝึกตัวเองก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าว่าไม่เคยฝึกเลยไม่เคยฝึกฝนตัวเองเลยต่อไปก็ยากเหมือนกันนะฝึกฝนตัวเองตนะัวเองเราไม่ใช่ของง่ายนะเพราะว่าใจของเรามันเคยชินกับกิเลสราคะโทสะโมหะมาตั้งแต่ดึกดำบรรณ แต่พบในชาติไหนก็ไม่รู้ล่ะพอมาถึงชาตินี้ก็ยังติดพบติดชาติแต่บัดนี้พวกเราได้มาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพบธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราก็น่าจะใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝึกหัดดัดตัวเองให้อยู่ในกรอบครูบาอาจารย์มิได้เป็นผู้แนะนา สั่งสอนเท่านั้นแต่ท่านไม่ได้พาจับจกกิต จ, จับใจตัวเองให้ภาวนาพุทโธพุทโธไม่ใช่แต่ท่านเป็นผู้ชี้แนวทางเป็นผู้นำเป็นผู้ชี้แนวทางให้พวกเราเดินเท่านั้นเองจากนั้นพวกเราก็เนี่ยให้รู้จักหาที่หลบที่หลีกกลางวันแต่ละวันกลางคืนแต่ละคืนแต่ในพรรษาล้าก็จะอยู่ยังไงออกพรรษานะตอนหัวค่ำเราไปยังไง เราจะไปภาวนาที่ไหนเดินจงกรมที่ไหนที่วัดของเรากว้างกวางเราไปหลบไปหลีกที่ไหนก็ได้้าองค์วัดกุฏิหลังไหนครูบาอาจารย์ไม่อยู่ไม่พักไปแล้วก็เปิดประตูเข้าไปก็เป็นนั่งภาวนาอยู่ข้างในยุงก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะมีมุ้งลวดกุฏีเล็กๆเป็นที่ภาวนาเราก็ขึ้นไปทาความสะอาดแล้วก็ น, นั่งภาวนา บำเพ็ญทางด้านจิตใจนั่นแหละอันนั้นแปลว่าผู้ส่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ส่อแสวงหาสินสมาธิปัญญาเข้าสู่จิตใจเมื่อเรานั่งเรามีความพยายามมีความตั้งใจอยู่เสม อ, อ, อเราก็ไปนั่งภาวนาตรงไหนที่ไหนๆใจของเราเข้าสู่ความสงบ เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเห็นชัดเจนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายสังขารพิจารณาร่างกายไปเห็นร่างกายชัดร่างกายของเรามีอะไรบ้างอย่างที่พกเราบรรยายเพ่งเมื่อกี้นี่เกษาผมโรมาขนุนจริงไหม พิจารณาดูสิจนตับปอดลำไส้อาหารใหม่อาหารเก่าที่เราสาธยายอาการ32ม เ, เมื่อเรากาหนดดูสิเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่สาธยายไหมที่สาธยายมาถูกต้องทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราไม่ยอมรับเท่านั้นเองใจของเราไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับในการเป็นอยู่นั้นๆว่าร่างกายสังขารร่างกายของเราเนี่ยมีหนังหุ้มอยูย่ร่างกายดูแล้วมันสวยงามผูดผาดน่ารักใคร่ชอบใจแต่ทีแท้แล้วพอถลกหนังออกเข้าไปเท่านั้นแ่ะมันเป็นคนลือเรื่องกันเพราะนั้นร่างกายของเราเนี่ยถ้าพิจารณา ดูให้ดีตามความเป็นจริงแล้วตามเรื่องราวที่มันเป็นจริงแล้วร่างกายสังขารมันไม่ใช่ของจิรังถาวรมันไม่ใช่ของเสร็จสวยงดงามเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาอย่าไปยึดร่างกายว่าเป็นตัวตนของเราถ้ายึดร่างกายเป็นตัวตนของเราว่าเป็นของเราเราจะทุกข์ เราจะเป็นทุกข์ใจเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอันเกี่ยวเนื่องกับกายของเราเนี่ยเราก็จะยึดไปทั้งหมดโลภไปทั้งหมดแต่เมื่อเราพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนขนาดร่างกายของเรายังไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราเนี่ยมันจะเที่ยงแท้แน่นอนได้อย่างไรขนาดร่างกายของเราก็ยังเท่าแก่ชรลา จะต้องถึงจุดจบอีกสักวันหนึ่งอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านให้พิจารณาให้พิจารณาถึงความเกิดความเสื่อมของร่างกายให้เห็นเป็นของอันตรจังทุกขังอนาตาแต่พวกเราจะพิจารณาอย่างไรก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดแต่ละวันถ้าเรามีความตั้งใจมีความพยายามมีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจจริงพวกเราก็หลบหาที่หลบผู้จักที่หลบที่หลีกปลีกตัวกรปลีกปลีกตัวไปภาวนาหามุมสงบมุมไหนเป็นมุมสงบของวัดกุฏิหลังไหนเราเดินดูได้เสร็จแล้วเขาไปชอบหลังไหนก็เข้าไปอยู่ในกุฏิหลังนั้นนั่งภาวนาสาสีห่หชั่วโมงก็ว่ากันไปเป็นไรไป เอาจนมันเห็นร่างกายกายกับใจใจกับกายมันเป็นยังไงเอาจนมันร่างกายมันสั่นสะบันไปหมดมเห็นมั้สิสู่เวทนาดูสิเยถึงจะทําขนาดนั้นก็เถอะอันนั้นเพียงลูกหลานของเวทนาเท่านั้นเองปู่ทวดของเวทนาข่าศึกศัตรูของเวทนาหนะ่อยมากกว่านั้ น, เ, นเมื่อถึงคราวที่มันจะบีบเอาชีวิตของเราจริงๆริง มันกว่านั้นอันนี้ที่เรานั่งภาวนาสู้กับมันสู้เขาลูกสมุนปลายแถวของมันเท่านั้นเองไม่ใช่สู้กับตัวสกัดสกันขุนศึกมันถ้าขุนศึกมันจริงๆนะมันยังซ่อนตัวอยู่อีกสักวันหนึ่งนะชีวิตของเราถึงจุดจบแล้วนะขุนศึกมันจะพลูออกมากลูออกมาพร้อมๆกันนั่นแหละบีบคอเรา อวัยวะของเราทุกส่วนมันจะปวดร้าวไปทั้งหมดไม่รู้ว่าร้อนไม่รู้ว่าหนาวไม่รู้ว่าเจ็บปวดทุกทางเวทนาทั้งหลายจะเข้ามามาลุมมาตุ่มในจุดนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยท่เนถ้าเราไม่ฝึกซ้อมไม่ฝึกสู้เวทนาลูกสมุนมันก่อนถ้าถึงจุดนั้นมาเราต้องยอมแพ้สีโ ล, ลาบเลยทาอะไรไม่ถูกเลยพิจารณาอะไรไม่ได้เลย กายของเราใจของเรามันบีบเข้ามาแล้วละเมอเพอ้อไปหมดเลยขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทดลองสู้นะถ้าเมื่อเราทดลองสู้ดูให้ดีเราจะเห็นได้ชัดเลยกายกับใจมันคนละอ่านกันในเมื่อเราจิตเข้าสู่ความสงบมันระงับลงไปนะเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ากายกับใจเป็นคนละอ่านกัน มันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายเนะี่ยมันจะเจ็บปวดยังไงใจของเราก็มองดูอยู่เหมือนกับรถไฟไหมอย่างนั้นรถไฟไหมเจ้าของเอามาจากรถก็ยืนดูมันไม่ใช่ไหมเรามันไม่รถนะแต่ทีนยังไงก็เป็นของเรารถของเราเสียใจแนมะแต่เสียใจแต่ว่าจะทำยังไงได้มันไม่รถนะอีกสักวันหนึ่งรถค้ะก็หมดสภาพไปพรไฟไหมแล้วไฟอะไร ไฟชลาไฟพยาธิต่อไปกับไฟมรณะเผาเผารถก็ถึงจุดจบจากนั้นใจของเราก็ออกจากร่างถ่าใจของเรายังชำระไม่ได้ใจของเรายังมีกิเลสอยู่ใจของเรายังมีราคะโทสะโมหอยู่ใจเมื่อออกจากร่างแล้วมันก็ไปเกิดใหม่อีกเนี่ย ถ้าว่าดวงวิญญาณนั้นออกจากร่างนี้มีทุนทรัพย์มีเงินมีบุญคนมีบุญอใจมีบุญใจใจตรงนั้นก็ไปเกิดไปเลือกเกิดได้เพราะใจมีบุญเหมือนกับใจมีเงินอย่างนั้นแหละเราจะไปเกิดข้าวหน้าเราจะไปเกิดอะไร เ, เราจะไปเรียนหนังสือหรือเราจะไปเป็นลูกเศรษฐีหรือเราจะไ ป, ไ ป, ไป เป็นลูกชาวนาหรือจะเป็นลูกไข่เลือกเกิดได้ทั้งนั้นถ้าคนมีบุญแต่โดยมากถ้าคนมีบุญแล้วก็ไปเกิดในที่ดีนั่นเลือกตระกูลที่ดีพ่อแม่ที่ดีสัมมาทิฏฐิพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ทามาหาเลี้ยงชีพการเรียนหนังสือจากนั้นก็นสั่งสมสร้างบา ร, รมีต่อไปตาหวานได้กัญญาณมิตรที่ดี ได้กัญญ า, านามิตรที่ดีได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่เป็นสัมมาทิฐิญาติโกโหติกาเป็นสัมมาทิฐิเราเกิดมาก็เป็นสัมมาทิฐิไปกับเขาด้วยแต่เราเกิดมาในกลุ่มของมิจฉาทิฐิไม่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญตายแล้วศูนย์นรกสวรรค์ไม่มี ในโกสวรรค์ไม่มีบาปูนคุณโทษไม่มีเกิดมาแล้วกันะเราก็ถล่มไปกับพวกมิจฉาทิฏฐิความเห็นอย่างนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วกันนั่นแหละชาตินั้นแปลว่าชาติขาดทุนเราเกิดมาเราเลือกผิดที่เกิดแล้วอเกิดมาผิดที่ผิดทางแล้วพอเกิดขึ้นมาก็เกิดในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพาถล่มไปในทางต่ํา จากนั้นก็เกิดตายออกไปนะตกนรกหมกไหมไปตกอวิชฌมหานรกไปพอพ้นจากนรกขึ้นมาก็เอ้างวงเงียขึ้นมาก็หาที่เกิดอีกนี่แหละสรุปแล้วก็คือการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทางหลายพวกเราท่านทางหลายเนี่ยมันน่าเบื่อไม่ใช่ว่าจะเลือกเกิดในที่ดีๆได้ทีเดียวไม่ใช่นะบางทีก็เกิดผิดที่ผิดทาง เกิดขึ้นมาแล้วก็ตกนรกหมกใหม่อ้าวถ้าว่าเราเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่แล้ว เ, เกิดพ บ, พบหน้าชาติหน้าก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ถ้าเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยะบุคคลแล้วอันนั้นแน่นอนเกิดพบใรชาติใดก็ต้องเหมือนกับไม้มันเอ็นไปทางทางทิศตะวันออกอา่าสี่สิบห้าสิบองศาอยู่แล้ว ถึงจะตัดจะโค่นยังไงมันก็ต้องลงทางทิศตะวันออกเพราะอะไรมันโค่นไปทางนู้นถ้ามันโค่นไปทางทิศตะวันตกก็เหมือนกันแต่นี่เรานะนจะมันจะไปทางไหนมันยังไม่แน่นอนซักทางเป็นปุตุชนยังไม่ใช่อริยะชนมันพร้อมที่จะไปได้ทุกทางเพราะนั้นอ응เกิดเวลาเราบําเพ็ญเราก็ต้องเตรียมตัวไว้เมื่อเราได้พบหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็พยายามทําให้ดีที่สุด คิดเทดีที่สุดทําให้ดีที่สุดพูดเทดีที่สุ ด, ด, สดอย่างที่หลวงพ่อย้ําแล้วย้ำอีกก่อนที่จะดีได้จะทํำยังไงทําเพียงแต่รักษาศินผิวเผินยังไม่เพียงพอนะให้ทานผิวเผินยังไม่เพียงพอมันเพราะยังไม่เข้าถึงหลักออันนั้นเพียงแต่กระพี้เปลือกนอกๆท่างเองแต่ถ้าว่าจะให้ถึงหลักจริงๆนะคือภาวนาะหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนา ทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งตัวนั้นจะไม่หวั่นไหวถ้าว่าผู้ใดเข้าจิตเข้าสู่ใจแล้วผู้นั้นจะไม่หวั่นไหวอย่างในครั้งพุทธการพระอานุ์มีเพื่อนสมไวเป็นคารวาสที่เป็นเพื่อนรักกันชื่ออะไรเป็นนักมวยด้วยนะเพื่อนของพร ะ, พระ อ, นอน์เกิดเป็นนักมวย ชื่ออะไรชื่อโลชาเนะี่ยสีนายโลชานะเมื่อพระอนุนบวชเป็นพุทธอุปถาของพระพุทธเจ้าท่านอยู่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารท่านไปบินทบาทไปพบกับนี่แหละเศรษฐีชื่อโลชาเนะี่ยเป็นนักมวยเก่าพอเห็นพระอนอนก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสเพราะว่า คงจะมีอุปนิสัยเก่าแก่ดึกตําบรนติดพบติดชาติพอเห็นเข้าไปแล้วก็เกิดความรักเคารพนับถือเลื่อมใสก็นิมนต์พระอานนท์ไปฉันที่บ้านพระอานนท์ไปฉันด้วยความรู้จักมักคุ้นกันเพราะท่านสมัยก่อนท่านเป็นเพื่อนกันเมื่อเป็นคารวาัตแต่พอมาเห็นก็ยังรักกันอยู่ยังให้ความเคารพนับถือกันอยู่ ในมนพระอนุไปฉันพระนนก็ไปฉันพอฉันเสร็จแล้วท่านนายโรชาเนี่ยก็บอกว่าท่านอ น, นุนสมบัตในบ้านของผมเนี่ยมีมากทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์คือคื อ, คอเงินคำทรัพย์สมบัติสัตว์สารเสียงบัวควายภายนอกก็มีมากที่ดินก็มีมาก ถ้าหาว่าท่านอานอนทนะ์จะึกน่ะจะลาสีขาออกมาผมจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งคนละครึ่งกันถ้าว่าชีวิตคนเราเนี่ยออกมาแล้วก็ไม่ได้สะแสวงหาทรัพภายนอกมีข้าวมีอาหารการบริโภคมีที่พักพากอาศัยมีเงินคำทรัพย์สมบัติไว้ใช้ท่านก็มีความสุขเพราะไม่ต้องวิ่งเต้นขวนขวาย เป็นความสุขของชีวิตท่านอาน์ผมจะขอแบ่งให้สุขครึ่งหนึ่งเลยถ้าท่านจึกออกมาพระอนุนบอกโอ้อย่าเราไม่เอาโลชาเราไม่พร้อมเราไม่เอาเราเห็นโทษมันแล้วจากนั้นท่านก็ไปกราบพราพูดเจ้าวพระอนุนก็กลาบมาก็ได้รับคำจากนายโลชาที่เป็นเพื่อนกัน ก็เลยมากราบพระพุทธเจ้าท่านก็คงจะกราบให้พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมโปรดพระสงฆ์ผู้มีอุปนิสัยผู้ใฝ่ในคาวาะอยู่ก็จะได้รู้เท่ารู้ทันพระพุทธองค์จะเทศอย่างไรลักษณะอย่างนั้นพระนรุนกราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าโลชะเขาพูดอะไรบ้างเนี่ยพระนรุนก็กราบทูลพระพุทธเจ้าโลชะเขาพูดอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าค่ะเขาจะแบ่งสมบัติให้ แต่ข้าพระองค์ก็เลยไม่รับพระพุทธองค์บอกว่าไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นนะโลชาเนี่ยเขาเคยจะแบ่งให้สมบัติสมัยก่อนหน้านี้เขาเคยเขาเคยคิดอย่างนี้เหมือนกันพระอานอนท์กับพระสง์ทั้งหายที่นั่งฟังพระพุทธเจ้า ก, ก็เลยอยากจะรู้ว่าอดีตชาติเป็นยังไงพระพุทธองค์บอกว่าในอดีตเมืองพารานสี สมัยนะั้นมีดาบทอยู่ในป่าไปไปบาเพ็ญอยู่ในป่าพออยู่นานมาก็เนะี่ยอยากจะทานอาหารที่มีรสเค็มเพราะเกลืออยู่ในป่าไม่มีนะนะพวกฤาษีทั้งหลายอยากจะทานอาหารรสเค็มนะรสเผ็ดรสเค็มก็เลยเข้ามาสู่ กรุงพาราณสีบินทบายพอบินทบายกันนี่แหละท่านเศรษฐีเห็นดาบที่เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสก็นิมนต์เข้ามาฉันในบ้านพอในฉันในบ้านเสร็จแล้วก็คุ้นเคยก็บอกว่าท่านฤาีท่านศึกออกมาสักผมยินดีที่จะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าออกมาแล้วมีความสุขเพราะไม่ต้องสะแสวงหาทรัพย์ ไม่ต้องหาเงินไม่ต้องหาอาหารการบริโภคทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วนี่แหละเป็นความสุขของชีวิตท่านนิมนต์นะแตผมขอกลับลดทิ่งางนนิมนต์รือสีโบ โ, อโออยยาเศรษฐีแต่จตมามองไปอีกในมุมหนึ่งถึงจะออกมาเป็นกระวาดการดูแลทรัพสมบัติน การที่จะส่องหาทรัพย์สมบัติให้พอกพูนเพิ่มพูนขึ้นมาการที่จะไม่พูดปลดการที่ไม่พูดปดต่อใครคงเป็นไปไม่ได้มันต้องพูดปดแล้วก็ลูกน้องที่เป็นบริวารถ้าเขาทำผิดแล้วไม่ลงโทษเขาก็คงเป็นไปไม่ได้อีกในสุดมันจะต้องทำความทำให้ใจของเราเนี่ย กับเพิ่มทําให้ใจของเรามีความทุกข์ใจของเราจะหวั่นไหวไกวแกว้งอยู่ตลอดมันหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นอาตมามองดูแล้วเนะี่ยความสุขเป็นคราว่าดเนี่ความสุขที่เป็นพระเนี่ยเป็นลือสีเนี่ยมันคนละแนวกันเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ไม่รับนะไม่รับที่ท่านจะยินดีแบ่งให้อาตมาก็ยินดีแต่ไม่รับส่งคืน นี่ละจากนั้นมาท่านก็ลาออกมาหรือสีนั่นก็ลาออกมามาอยู่ในอุทยานจากนั้นก็ได้เข้าไปอยู่ป่าหิมพานต์ตามเดิมพระพุทธองค์ท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าชีวิตของที่เป็นารวาเป็นผงมีผงทุดีเข้ามาได้ง่ายเพราะว่าใช่เป็นความสุขแบบทั่ ว, วไปมีเงินคำทรัพย์สมบัติ กินตามอมเภอใจพักผ่อนนอนตามอมเภอใจใช้ใจใสสอยตามอมเภอใจที่เราได้โสแสวงหาทรัพย์มาแต่ว่าทรัพย์เหล่านั้นที่เราว่าสุ kn นีน่เป็นความสุขมันไม่ใช่ความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่จอมปลอมมันแฝงด้วยสิ่งที่ทําให้ทุกมันมีมากอยู่ในนั้นทั้งโลกเป็นความทุกข์แล้วก็คู่คน พอใจไม่พอใจเหลียวเขากับพูดทําให้ร้อนหูร้อนใจจากนั้นก็แข่งแย่งกัน เ, เรื่องทรัพย์สมบัติมีมากมายเมื่อทําความไม่ดีแล้วจะไม่ดุดาากก่าว่ากล่าวไม่ลงโทษลูกน้องก็เป็นไปไม่ได้การทํามาค้าขายจะพูดตรงๆไม่พูดปดเฉยเลยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วจะเป็นมลทินสําหรับ ผู้ปฏิบัติธรรมผู้หวังให้จิตใจบริสุทธิ์ท่านลือีท่านก็สอนสอนเศรษฐีนั้นนี่แหละในพระพุทธองค์ท่านก็สรุปว่าเศรษฐีในคราวนั้นก็คือนายโรชานะส่วนลือศีลือศีนี่คือเราตถาคดนี่แหละสรุปแล้วก็คือชีวิตทั้งๆชีวิตของพวกเราเนะี่ย ดูสิทุกระดับชั้นคนรวยคนจนคนมั่งมีสีสุขคนโง่คนฉลาดคนทุกคนยากคนเศรษฐีมหาเศรษฐีมาพิจารณาดูแล้วก็มันมีความสุขในแง่มุมต่างกันมันมีความทุกข์ในแง่มุมต่างกันจะไปสุขล้นล้วนเป็นไปไม่ได้จะทุกข์ล้น้วนกว็เหมือนกันเพราะนั้นโลกอันนี้ ต่างคนก็ต่างเกิดมาต่างคนก็ต่างได้รับกรรมคือการกระทำคนตัวเองในอดีตต่างคนก็ต่างใช้กรรมเกิดมาใช้กรรมพอท่านท่านจึงไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างมีกรรมแล้วก็ให้เคารพซึ่งกันและกันจึงมีศีลห้าขึ้นมาจากนั้นก็มีข้อธรรมมากมายที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา สรุปแล้วก็คือจะทำยังไงในหลักของพุทธศาสนาพราะพุทธเจ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์ที่บมเพินมาสี่อสงไขยกำไรแสนมหากรัปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราไม่มาเกิดอีกแล้วเราตัดก ร, รมล้อ ก, กงเกวียนใจของเราบริสุทธิ์แล้วใจของเราหมดจดจากกิเลสแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วอันนี้ก็คือพระองค์เมื่อได้ตัดรูแล้วท่านกบ แนะนำสั่งสอนเวในสัตว์ทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาพวกท่านทั้งหลายอย่ายินดีในการเกิดนะอย่ายินดีในการเป็นอยู่นะอันนี้มันทะเลเพลิงชัดๆนะมันไม่ใช่ของเที่ยงแท้แน่นอนนะทุกนะเกิดมาแล้วให้พวกท่านทั้งหลายสอแสวงหาทางพ้นทุกนะอะไรคือทางพ้นทุกนี่เราได้ไปศึกษาไปค้นคว้าดูแล้ว วันตัดรู้ของเราคือวันได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนเรานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจไม่ให้คิดในถึงอดีตอนาคตใจอยู่ในปัจจุบันให้ยึดปัจจุบันให้เป็นหลักเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจากนั้นก็ นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเดินวิปัสนาดูใ ห, ให้ดูร่างกายให้เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นใจของเราจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายในเมื่อเห็นกายชัดเจนไม่ยึดมั่นในกายแล้วก็ไม่ยึดมั่นในสิ่งอื่นอีกเลยปล่อยวางกระทั่งสิ่งอื่นอีกขนาดกายตัวเองแท้ๆยังจะยึดไม่ได้และจะไปยึดส่วนอื่นได้อย่างไรนี่แหละ จากนั้นก็เบื่อหน่ายกายทั้งนั้นเบื่อหน่ายกระทั่งใจอีกคือใจไปเห็นร่างกายร่างกายตัวเองทําไมจึงมีร่างกายขึ้นมากรเพราะใจอย่างที่ว่านออกจากร่างไปหาปฏิสนธิไปสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาอีกไปสร้างร่างกายขึ้นมาอีกเพราะเข้าไปยึดร่างกายไปปฏิสนธิไปยึดร่างกายจากนั้นเกิดเป็นคนขึ้นมาอีกพอร่างกายแตกตายสลายสรุปลงไปอีก ออกจากร่างนี้ไปเกิดอีกเกิดมาพบใดชาติใดก็อย่างนี่ยหิวกระหายอยากร้อนอมีทุกข์อยากลำบากปุถุตายเนีแล้วก็เกิดมาใหม่อีกมันน่าเบื่อเพราะพุทธองค์บอกน่าเบื่อเพราะฉะนั้นพอให้พวกท่านทั้งหลายพิจารณาให้เบื่อหน่ายคลายใจของพวกท่านจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตากาศอย่างเราตถาคตได้ได้ตัดรู้แล้วก็ได้ทํา แนะนำทาคําสอนออกมาประกาศเผยแพร่ให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้ศึกษาและข้นแนะนำประพฤติปฏิบัตินะพวกท่านจะผลทุกในวัตสงสารตามที่เราตถาคตได้บอกกล่าวแนะนำสั่งสอนเอาไว้เนี่ยนคือทาคําสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาแล้วจะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อพูดให้พวกเราถูกศึกษา สรุปแล้วก็คือกิเลสทั้งหลายอยู่ในใจของเราทั้งหมดกิ เ, ออเลสราคะโทสะโมหะออกมาจากใจสรุปแล้วก็คือเน้นลงมาว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจแสดงขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ต, ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจภาวนาแลวก็วัน วันสองวันข้างหน้าเนี่ยอยากจะเตือนพวกพระทุกองคผ้าใหม่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอย่าไปโต๊ะโ ต, ตเตะเตถ้าเป็นของผ้าก็ให้ของผ้าถ้าจะมาที่ศาลาก็อยู่ในความสงบนีอย่าไปแบบเทเลอทาล่าเห็นคู่คนมาแล้วไม่มีมรารยาทยาเสลยไม่ได้นะผ้าเก่าช่วยชยดูช่วยชบอกนะช่วยบอกเตือนผ้าให ม, ม่เรานี่ไม่ใช่เราเป็นครวญวัดนะเราเป็นพระ กิริยามะลายาตของพระทำยังไงอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะสวดมนต์ก็ต้องฟังหมู่คุบายจารพาสวดยังไงดูตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดนั่นคือผู้มาศึกษาผู้มาศึกษาต้องทำอย่างนั้นเป็นเสียแตรลหมักเพื่อขวางหมู่นะอีกแบบหนึ่ง ถ้ามาขวางหมูมันก็น่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่มันขวางไปขวางมากันลระวังกันแล้วกันเพราะหลวงพ่อเป็นหัวหน้าหลวงพ่อไม่ให้ขวางนะเใครมาขวางไม่ได้ต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินัยดยการทั้งหมดเรามาเพื่อการศึกษาทุกคนเพื่อการศึกษาจะทำยังไงต้องเป็นศีลเป็นธรรมรายในช่วยๆกันคิดนะ แต่ก็ตามปกติเราบินธบาตโดยมากรับบินธบาตรตอนเช้ากับพระองค์ท่านท่านก็เอาทั้งหมดสิบสิบเกองค์ตามปกตินะให้ท่านหน่อยช่วยช่วยกันคิดด้วยองค์ไหนที่ไม่ได้บินธบาตในที่สาลาก็ให้ออกไปบินธบาตรข้างนอกท่านรุ่นรู้ท่านลุมท่านจอมท่านตัําพวกนะั้นปรึกษากันดูดูนะจะให้ผมได้พูดให้พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่เดียกันแล้ว อันไหนเป็นยังไงที่เคยผ่านมาเป็นยังไงมันก็ต้องศึกษาไม่ใช่ว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นเด็กอมนิ้วจับมาพูดแล้วพูดอีกสิ่งไหนพูดแล้วมันเข้าใจคือเข้าใจต้องปฏิบัติตามนั้นนี้ผงเหมือนกันเราผ่านมาอย่างไงเราเคยปฏิบัติมาอย่างไงที่ผู้เห็นมาอย่างไรลงสาลายังไงสวดมนต์อย่างไรถ้ามีความข้องใจก็ถามผม ทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นยังไงท่านอาจารย์ผมจะให้แนวเป็นผู้ตัดสินแต่พวกท่านรู้แล้วกว็เ อ, อืออย่างที่พวกเราเคยปฏิบัติมาในช่วยๆกันคิดนะพระมะพระเก่านะอย่าไปอมฟันอยู่เฉยๆนะอมลิ้นอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์พรามันผ่านไปแล้วยังคอยหมู่มอบปุมมอบไปทะเลาะกันโง่ทั้งนั้นแหละในขณะที่อยู่ด้วยกันทําไมไม่หาหรืองกันไม่บอกกันไม่บอกกล่าวกัน จะช่วยกันนะดูดูกันการอยู่ด้วยกันมันก็ต้องพี่ได้สองน้องได้หนึ่งมีอะไรก็ต้องปรึกษาปารัรบกันการอยู่ด้วยกันทางไหนมันจะเป็นทางหายนะทางไหนเป็นทางเจริญทางไหนที่เป็นทางผาสุกทางไหนที่จะเป็นทางอันตรายนี่แต่ขนาดนกมันอยู่ในป่ามันก็ยังปกป้องหมู่พกเพื่อนของมันในเราเป็นพระทั้งองค์เรียนทั้งศีลสมาธิปัญญา ทั้งคดีโลกคดีธรรมทําไม่จึงไปโง่ฮจูนกไม่ได้ฮเฮานกมันอยู่ในป่ามันเห็นอะไรที่เป็นอันตรายมันจะร้องโกกแยกขึ้นมามันนกทั้งหลายก็ต้องพยายามเพ่นหนีแต่คนเราพวกเราท่านทั้งหลายทําไมต้องช่วยๆกันคิดนะสิ่งเหล่านี้อันนี้คือแนวความคิดในแนวปัญญาที่ให้พวกเราได้ฟัง แล้วก็การจะทำอะไรก็ตามการสังเกตนั่นแหละคือปัญญาตะวอกการวิจกกังวลเป็นวิจกกังวลอันนั้นก็คือกิเลสทกอีกเหมือนกันพิจกกังวลตัดสินใจไม่ได้ถ้าตัดสินใจอะไรก็ต้องคิดอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นวินัยอันไหนเป็นแนวความคิดที่ดีอันไหนคือหลักพระธรรมวินัยทำคำสอนต้องศึกษา ถ้าศึกษาและกันนะปฏิบัติตามนั้นมีแต่ความผาสุขหาความทุกไม่ได้ล่ะคนที่เดินถูกทางเดินตามมักตามผลนะแต่เดินผิดที่ผิดทางออกนอกลูกนอกทางดังนั้นนะดันทุลังไปเรื่อยนะมีแต่ความหายนะจะเข้ามาสูดท่านองนั้นคนคนนั้นจะหาความผาสุขไม่ได้ในหะ้ขอใพวกเราตั้งใจนะตอนนี้ไปนั่งสมาธินะ่นตื่นนะ